สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมณัฐกรคนชอบเหล้าวันนี้ก็ตามที่นัดหมายครับพวกเราจะไปเข้าปากกันครับแลวเราจะเข้าปากกันอีกครั้งกับเรื่องราวของคุณสุริชาติทีนแก้วที่ได้กรุณาแบ่งปันมาครับคลิปก่อนหน้าไกดพาไปดูงูแล้วคลิปนี้ไกดจะพาเราไปดูอะไรหวังว่าคงจะพร้อมกันแล้วเมื่อพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยครับแม่ฝนที่ตั้งเขามาตั้งแต่ยามบ่ายได้เคลื่อนตัวเข้ามารวมกันอย่างรวดเร็วจนผืนป่ามืดมิดไปหมด ไม่ช้าไม่นานพายุฝนก็หมกระหน่ำลงมาอย่างบ้าคลั่งชนิดลืมผูลืมตาไม่ขึ้นนานนับชั่วโมงฝนถึงได้หยุดถึงหยาดน้ำฝนเปาะแปะขณะแสงแดดก็สว่างจ้าสะท้อนตามใบไม้ใบหญ้าดูเพล้าเพาขณะเสียงริร่งเรรยก็เริ่มออกมากับขานลำเนาไพรเป็นปกตินี่เป็นปกติวิสัยของป่าดิบชื้นในช่วงฤดูฝนที่ฝนนึกจะมาก็มาแบบไม่มีปีไม่มีครุยฝนนึกจะไปก็ไปแบบไม่สั่งลา ที่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้านี่สิน่ากลัวไม้ไร้ใหญ่น้อยล้มเดนเนรนาตกลายเป็นทางน้ําใสใหม่ที่ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างตีนเขาดังอยู่ครืกครืกข้าพเจ้าทอดตามมองสายน้ําเบื้องล่างด้วยความรู้สึกอึดอัดขัดข้องใจเป็นอันว่าการตามล่าไอ้คลั่งฝนแรกก็หล้มเหลวทั้งที่จวนตัวจะล้มมันได้อยู่แล้วแต่ฝนเจ้ากรรมเดินมาช่วยยืดชีวิตให้มันสิก่อนไอ้คลั่ง เป็นช้างป่าเกเรที่สร้างวิรกรรมทำลายเข้าของและชีวิตผู้คนในป่าแถบนี้มันนับสิบกว่ารายด้วยกันเดิมทีก็เป็นช้างป่าที่หากินปกติแต่เมื่อหน้าแรงที่ผ่านมาเกิดตกมันมีคนเคราะห์ร้ายไปเจอเข้าเลยถูกมันฟาดกระทืบสัมตายอย่างอนาถมาตรการตอบโต้จากมนุษย์จึงเกิดขึ้นแต่เคราะหร้ายกลายเป็นผู้ล่าถูกฆ่าตายอย่างอเนตอนาถแต่เจ้าช้างอันพานก็บาดเจ็บเช่นกันนั่นเท่ากับเพิ่มความดุร้ายให้กับมัน จะมนุษย์เมื่อไรเป็นวิ่งเข้าใส่ทำร้ายฆ่าอย่างบ้าคลั่งจึงได้รับฉายานามว่าไอ้คลั่งแต่นั้นมาและ3มรายล่าสุดเมื่อสาวันก่อนพรานนับสิบได้ร่วมมือกันออกล่าและไปเจอมันขณะลงเล่นน้ำในลําห้วยนับว่าเป็นโอกาสดีในการจัดการกับมันอาวุธปืนนับสิบกระบอกได้ยิงถล่มลงไปสู่เป้าหมายที่หมดทางสู้ป้องป้องป้งป ป, ปความบ้าคลั่งของไอ้คลั่งก็สมฉายาของมันจริงๆ แทนที่จะหนีขึ้นฝั่งตรงข้ามกลับตะลุยเข้าหากระสุนอย่างบ้าคลาั่งและจัดการศัตรูไปได้ถึงสาศพ บ, บาดเจ็บสาหัสอีกสองนอกนั้นแตกกระเจิดกระเจิงเป็นคนละทิศคนละทางแต่ไอ้คลั่งเองก็พลุนไปทั้งร่างแต่ก็ไม่ยักกะตายยังกระสือกกระสนหนีไปได้แต่ก็มีไม่มใครกล้าตามมันไปพระสามชีวิตสุดท้ายได้สร้างอับพีนิหารให้มันเป็นที่หวาดหวั่นแก่พรานทั้งหลายจนเมื่อวานขณะข้าพเจ้าพาคณะนักสำรวจป่าเดินทางกลับผ่านมาตะโบ พรานชราที่ข้าพเจ้านับถือเสมือนญาติผู้ใหญ่ก็พาลูกบ้านมาขอร้องข้าพเจ้าให้ช่วยจัดการไอ้คลั่งทีเพราะไม่มีใครแล้วที่จะกล้าต่อกกอนกับมันในตอนแรกด้วยความเกรงใจคณะผู้ว่าจ้างในการสำรวจป่าข้าพเจ้าปฏิเสธไปแต่คณะนักสำรวจเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านป่าจึงขอร้องข้าพเจ้าอีกต่อหนึ่งข้าพเจ้าจึงต้รับภารกิจเสี่ยงตายนี้โดยมีเจ้ากระแลหลานชายตาโบที่มีฝีมือในทางพรานไม่น้อยกับผู้เป็นตาเป็นผู้ร่วมเดินทาง โดยเริ่มต้นที่ลําห้วยที่เกิดเหตุจากการติดตามร่องรอยที่ถึงรอ ย, ทยเท้าเวียร่าก็ทราบไว้ครั่งอาการนักสาหัสอาการบางแห่งก็ทิ้งกองเลือดอยู่คนต้นไม้กองใหญ่ก็ยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นด้ยทราบดีว่าสัตว์ที่บาดเจ็บสาหัสมีความร้ายกาจเพียงใดจนบ่ายจึงตามมาทันที่ตีนเขาขณะมันเดินโซซัสโซเซเพื่อที่จะไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่อาจรู้ได้แต่ฝนเจ้ากรรมได้กระนำลงมาเสียก่อน เจ้ากแลเที่จานานพื้นที่แถบนี้ผาวิงกงขนเขสก่อนไม่งั้นคงโดนน้าปากเลื่น ก, กินไปก่อนที่จะหนีทันเจ้ากัลลผ่ามาเจอโพรงถ้ำแคบๆพอได้แอบหลบฝนได้ก็แอบหวังอยู่ว่าไอ้ครั้งอันธพาลคงจบชีวิตไปตามกระแสน้ําเชี่ยวกรากเบื้องล่างถือว่าไม่ต้องต่อเวรต่อกรรมต่อกันอาทิตย์อ่อนแสงลงอย่างรวดเร็วข้าพเจ้าเรียบหลุกเจ้ากแลเที่นอนขึ้นขูข อ, ยอยู่ก้นถ้าเพื่อหาทางกลับก่อนเมื่ดสึกก่อน ด้วยสภาพที่เปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลังฝนตกใหม่ๆทาให้เจ้ากแกัลลาต้องเสียเวลาไม่น้อยกว่าจะพบทางออกแต่ไม่ใช่ทางเดิมเมื่อขามาแน่ทางค่อนข้างรกชัดรู้เลยว่าไม่ค่อยมีใครผ่านมาแถวนี้แน่ความมืดเริ่มแผ่ปกคลุมการเดินทางก็ยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่ทั้งยุงทั้งตัวทากอยู่เย็ดเต็มไปหมดไหนจะต้องระวังสัตว์ป่าที่แสนอันตรายโดยเฉพาะไอ้ครั่งถ้ายังไม่เห็นสุพมันก็วางใจไม่ได้ ลัดเลาะไปตามสมุนทุมพุ่มไม้เสียงริ่นเรงไร้ที่ระงงไปทั้งป่าก็สงัดเงียบลงเ ป, ป็นปลิดทิ้งด้วยประสบการณ์ที่เจนป่าข้าพเจ้าเรียบจุดเจ้ากัลแระมากระซิบเบาๆถึงความผิดปกติเจ้ากแแลัลแระตื่นตัวทันขวนันกระชับปืนอย่างมาั่นเตรียมพร้อมเต็มที่แต่ไม่ทันแล้วพุ่มไม้ใหญ่เบื้องหน้าห่างไปราวยี่ิเห็นจะได้วหวยั่วพร้อมกับเสียงร้องแปรนแล้วเงาดำทะมึนขนาดพวกเขาลุกย่ำๆก็เหมือนกลิ้งหลุนๆเข้ามาหาข้าพเจ้ากับเจ้ากัากแแลแระอย่างรวดเร็ว ขระปเจ้าที่สติทีบเจ้ากระแลที่ตกตะลึงพึงเพลิดกระเด็นออกข้างแลือต้อหวัดปืนขึ้นประทับบาตทำสัญชาติยานยืนจังก้าไม่ถอยเพราะถอยไม่ได้แล้วศูนปืนหมายที่น้ำเต้าเหนือว่างตาที่แทบสังเกตไม่เห็นด้วยบางแสงชั่วพริบตาเดียวเหงาดำก็เต็มหน้าขณะหูอื้อด้วยเสียงระเบิดดังสนั่นวันว่นวายปงก่อนสติสะดับไปได้ยินเสียงเจ้ากระแลร้องเรียกนายแล้วรู้สึกว่าตัวเบาหมุนไปมาก่อนจะสัมผัสพืนนุ่มๆอ๊ก มรู้สึกตัวอีกทีได้ยินเสียงร้องเรียกนายนายของเจ้ากะัะแลขณะตัวโยนพระถูกมันเขยา่าข้าพเจ้าขานรับรู้สึกเจ็บเสียที่ซี่โครงแถบซ้ายมาทราบตอนหลังว่าซี่โครงหักไป3มซี่จากการพุ่งกระแทกอย่างแรงจากคาบอกเล่าของเจ้ากะัะแลหลังถูกข้าพเจ้าถีบกระเด็นออกนอกทางไอ้ครั้งที่ตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะถูกกระแสน้ําพัดถล่มตายไปแล้วกลับทนทายาทถึงกับจินดักเล่นงาน ได้พุ่งเข้าชนครืพเจ้าอย่างแรงจนร่างลอยละลิ้วตกลงพุ่มไม้ไกลนับ10บกว่าก้าวแต่ไม่ก่อนที่กระสุนเครืพเจ้าจะระเบิดแรงส่งอันมหาศาลที่พุ่งสุดแรงเกิดแม้กระสุนพลังขับถึง3ตันขนาด30มศทับหไรเฟิลยังเอาไม่อยู่ไอ้คลั่งไปหมอบสุดเข่าขู่หน้าก้นโด่งสิ้นใจตายเลือดและสมองตรงน้ำเต้าเหนือว่างตาไหลปนกันขณะนั้นเครืพเจ้ารู้สึกสังเวชต่อชะตากรรมของเท้าช้างป่าเกเร ที่ครั้งหนึ่งเคยอลาวาดเข็นฆ่าทำร้ายผู้คนมานับสิกว่ารายแต่ที่น่าเศร้ากว่า น, นั้นก็คือถ้าจากนั้นไปร้อยกว่าเมตรเป็นสุสานช้างที่มีโครงกระดูก ข, ของช้างนับไม่ถ้วนกระจาย ก, กระจรยรายรื่อยๆไปทั่วป่าช้าช้างแห่งนั้นซึ่งไม่เคยปรากฏได้เข่ามาก่อนนั่นแสดงให้เห็นว่าไอ้คลั่งรู้ถึงวาระสุดท้ายของตัวเองจึงสมสารมาถึงบ้านเก่าแต่ก็ไม่ไหวถูกตามล่าเอาชีวิตจนได้ข้าพเจ้ารู้สึกหดหู่ใจแต่โศกในนาตกรรมในครั้งนี้ จากปกติของธรรมชาติก่อให้เกิดความผิดปกติในธรรมชาติจากช้างป่าธรรมดาเกิดตกมันโดยธรรมชาติมีคนไปเจอเข้าหรือถูกทำร้ายถึงตายการล้างแค้นของผู้อยู่ข้างหลังนำมาซึ่งความตายของใครหลายๆคนไฟเมื่อลุกแล้วก็ต้องหาทางดับแม้ชีวิตจะดับก็ต้องยอมดับไปข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกแล้เรื่องราวของการล่าไอ้คลั่งก็จบลงครับ ก็ขอบคุณไกด์นาทางคุณสุรชาติถี่นแก้วมากนะครับที่พาประจญภัยในป่าทีนี้เราออจะป่ามาพักกันบ้างเมื่อกี้เราไปตามล่าช้างตอนนี้ไปหาหนูกันเถอะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ที่ไม่ประสงค์ออกน้ําเรื่องเราจะเป็นยังไงไปฟังกันครับสวัสดีครับผมเป็นคนจังหวัดอุบลเรื่องก็คือเดียวใหกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วและนเวลานั้นเองผมเพิ่งจะโตเป็นหนุ่มน้อยกําลังเฮา แน่นอนครับไม่เคยกลัวอะไรซึ่งมันก็เป็นความกล้าแบบวัยรุ่นทั่ ว, วไปประสบการณ์ที่อยากจะเล่าก็คือมีวันหนึ่งตอนนั้นเป็นหน้าแลง้งก็มีเพื่อนมาชวนผมไปยิงหนูเฮ้ย hey, วันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีวะเพื่อนเกิรถามแล้วแต่ที่ไหนก็ได้ที่หนูเยอะๆหน่อยน่ะผมบอกไปอืมงั้นเราไปที่ป่าช้ากันดีไหมเขาว่าตรงนั้นน่ยหนูเยอะแต่ไม่มีคนกล้าไปจะเพื่อนเกิรมันช่างชวนและผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว ได้ได้เงินเราไปเตรียมของอ่อยหนูกันอ่อยหนูก็คือการเอาสิ่งของไปวางไว้ในที่ที่มีด่านหนูเดินหากินก็คือทางเดินผ่านของพวกมันนั่นแหละเช่นรำข้าเปลือกเข้าวสารเป็นต้นสรุปเป็นอันว่าเราสองคนจะไปหาหนูกันที่ป่าช้าพอเราเตรียมตัวได้ของพร้อมกันแล้วการเดินทางจึงได้เริ่มขึ้นเราพากันย่ำเดินตามกันไปมุ่งตรงเข้าไปในป่าช้าที่ว่าและเมื่อเราเดินทางไปถึงทําเล่ทองสถานที่ที่แสนวิเวกหวังเวง เราก็ลงมือแยกย้ายกันวางอาหารล่อหนูพอวางเสร็จเราก็มานั่งพักกันไม่ได้กลับบ้านเราสองคนขี้เกียจย้อนไปย้อนมาเราก็หามุมสบายๆแถวนั้นนั่งคุยกันรอให้มืดแล้วเมื่อดวงตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงผมสังเกตมองดูบรรยากาศรอบตัวใช้ได้เลยป่าช้านี่มันน่ากลัวเหมือนกันนะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวพอมืดดีแล้วเราเออกไปสองกัเลย ด, ดีกว่ากูว่าเราน่าจะได้กินเยอะแน่ๆเลยจะเพื่อนเกิรมันว่าผมก็ได้แต่พยักหน้าเห็นตามมัน และแล้วเมื่อดวงตะวันหายไปความมืดเข้ามาปกคลุมไปทั่วปฏิบัติการส่องหนูของเราจึงได้เริ่มต้นขึ้นเราลุกขึ้นพร้อมด้วยไฟฉายกับปืนยิงหนูที่อยู่ในมือจากนั้นเราก็แยกย้ายไปตามจุดที่ระวังล่อ ก, กันไว้ผมค่อยๆก้าวเดินย่องไปที่แรกที่วางไว้ก็ไม่มีอะไรไม่เป็นไรคิดในใจว่าที่ที่สองต้องเจอแน่นอนผมก็ค่อยๆเดินย่องเข้าไปเดินย่องเข้าไปจนไปถึงจุดที่สองที่วางอ่อยไว้ พอไปถึงผมก็รีบส่องไฟฉายเข้าไปผมก็เห็นตาสีแดงซึ่งนั่นมันก็คือตาของหนูแน่นอนพอเห็นว่าหนูเข้าแล้วผมก็ค่อยๆยกปืนแกลบขึ้นขึ้นนกปืนและผมก็ยิงป้องเฮ้ย <c oughs> ผมสะดุด้งตกใจเฮ้ยเสียงอะไรวะตกใจสุดๆเสียงอะไรใครก็ไม่รู้มันดังขึ้นเกือบจะพร้อมกับเสียงปืนส่องไฟฉายหาดูก็ไม่เห็นมีอะไรคนลุกเกลียวใจเต้นตุ้มตามขนาดเป็นคนที่ไม่ก ล, ลัวนะเนี่ยตะโกนชวนเพื่อนกลับทันเทเฮ้ยกลับกันเถอะว่า ไหนหนูเยอะไม่เห็นมีเลยนั่นนะดีไม่เห็นได้สักตัวเลยว่ะไหนวะไหนบอกว่าป่าช้าหนูเยอะแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันจากนั้นอีกหนึ่งปีต่อมาและณสถานที่เดิมแต่คราวนี้ผมไม่ได้ไปยิงหนูแต่ผมไปเกี่ยวข้าวแถวป่าช้าคือว่าที่บ้านผมมีรถเกี่ยวข้าวผมไปรับจ้างเกี่ยวข้าวผมกับเพื่อนๆที่ไปเกี่ยวข้าวด้วยกัน ตกลง ก, กันว่าหลังจากเกี่ยวข้าวตอนกลางวันเสร็จแล้วพวกเราก็จะพากันนอนที่เถียงนาของเจ้าของนา น, นี่แหละขี้เกียจกลับเข้าหมู่บ้านหลังจากที่ทํางานกันเสร็จตอนกลางวันกินข้าวกินปลากันเรียบร้อยจัดเตรียมที่นอนกันเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนกันเลยลมเย็นๆกับบรรยากาศท้องทุ่งพวกเรานอนหลับพักผ่อนกันตามสบายคืนนั้นผมกํมาลังนอนเพลิๆ เ, เ, เลยแต่แล้วผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึข้นมาดูเวลาก็ประมาณตีสามได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังอยู่บนยอดไม้ มองตัวรอบกายก็ไม่มีใครตื่นเหมือนผมเอ๊ะทำไมกขาไม่ได้ยินกันเลยเสียงที่ได้ยินคล้ายกับว่าเป็นเสียงวิ่งหรือว่าเสียงไต่ต้นไม้นี่แหละเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างกำลังไต่ขึ้นไต่ลงต้นไม้เสียงมันดังอยู่แถวๆยอดไม้ผมได้แต่นิ่งลืมตาแล้วก็นอนฟังเสียงมันก็ดังเรื่อยๆที่สำคัญทำไมไม่มีใครได้ยินเหมือนผมเลยยิ่งนอนฟังก็ยิ่งดังหนักขึ้นหนักขึ้นเสียงดังมากจนผมนอนไม่หลับซะแล้ว ง่วงก็ง่วงมากซะด้วยรู้สึกโมโหก็เลยพูดออกไปบัปกฮาได้มาหลอกคนวะภาษากลางแปลว่าไอ้ผีตัวไหนไม่มาหลอกคนวะพอผมพูดจบเสียงทุกอย่างก็เงียบลงผมอื้องนิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็มีเสียงตอบเยน็เยนๆกลับมาว่ามึงมึงมึงเคยหญิงกูกูจำมึงได้ผมสะดุ้งคนลุกเกลียวรู้สึกกลัวมาก ผาพเหตการณ์ในคืนไปยิงหนูเมื่อปีก่อนรีรันย้อนกลับมาพอจบเสียงพูดสุดหลอนของผีตัว น, นั้นแล้วเสียงวิ่งเหมือนต้นไม้หรือเสียงไตอะไรก็ตามดังขึ้นมาอีกแล้วผมคิดถึงคำที่คนแก่คนเฒ่าเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเห็นหรือได้ยินเสียงผีวิ่งเหมือนต้นไม้ถ้ามีปืนก็ให้ถือปืนสลับนกปืนลงข้างล่างเอาเปืนสุดใต้รักแรแล้วก็ยิงคิดไปคิดมาเอาเขาจริงๆผมก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่แต่วันนั้นไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรไม่ดนใจก็ไม่รู้ทําให้ผมอยากลอง ผมค่อยกระตับตัวเองพร้อมด้วยปืนประจำตัวไปยิงจุดที่จะยิงปืนขึ้นไปบนต้นไม้ได้เสียงวิ่งเสียงตายก็ยิงดังอยู่แต่ก็มองไม่เห็นอะไรแล้วก็ลองทําตามคําที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกมาป้องผมยิงออกไปทุกคนที่นอนสะดุง้งและสิ่งที่ผมได้ยินต่อมา ก, ก็คือตุ๊บสิ่งเหมือนวัตถุนหนักๆตกลงมาจากต้นไม้ผมขนลุกตั้งแต่หลังถึงท้ายถอยรีบตั้งสติบอกเพื่อนที่กําลัง ง, งัเงียตื่นเพราะเสียงปืนให้รีบลุกขึ้นรีบเก็บข้าวของใส่รถขนของเข้าหมู่บ้านทันที จากนั้นมาผมก็ไม่เคยไปแถวป่าชานั้นอีกเลยไม่ว่าจะในกรณีใดใๆและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผมครับครับผมแล้วคลิปนี้ก็จบลงก็ข อ, ขอขอบคุณคุณสุรชาติเทียนแก้วกับบุรุษนิรนามนะครับสําหรับเรื่องราวในคลิปนี้ขอทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังนางตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญ ญ, ญาในการดํารงชีวิต เป็นที่รักของคุณที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ